พระเนที่มาจากที่ต่างๆซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้หลักใหญ่ของธรรมก็คือตั้งใจมาศึกษาอ บ, อบรมนี่เรียกว่าหลักธรรมประจำใจของพระผู้เข้าไปสู่สำนักนั้นๆอันเป็นภาคปฏิบัติ ย่อมจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินโดยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยในครั้งพุทธการในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมี ท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะที่โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจที่เรียกว่าพาระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอนและในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัดทั้งทมทั้งพระวินัยเป็นไปโดยอัดโดยทมล้วนล้วน เพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสะของวิเลตอาสวะประเภทต่างๆแม่น้อยจึงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้สแสลงหูสแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายในจิตใจ มีแต่ทำล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำหรับตำราท่านมีไว้อย่างนั้นนี่บรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะไม่ได้พบได้เห็นในตำรา บางแง่บางแงนงของพระในครั้งพุทธการที่ท่านดําเนินกันท่านดําเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรี่ว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะมาได้พบได้เห็นในตํำรับตาํารา นี่เท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกาลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณจึงได้นาร่องรอยของท่านมาชี้แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเจณไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบเลาะเละและแหละมาอยู่แบบไม่จริงไม่จัง สักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำทมหรือเอาทมเป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสํำเนียบทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูออกลินกายอันไรก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติธรรมย่อมขาดความจงใจขาดความรู้สึกในสิ่งสัมผัสทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนเพราะฉะนั้นสติธรรมจึงเป็นเครื่องสจกิตคือสะกิดใจของเราให้มีความรู้ในสิ่งสัมผัสคือรับรู้ในสิ่งสัมผัสแต่ทางตา ที่ได้เห็นครูเห็นอาจารย์เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติแสดงกิริยามายาิอย่างไรสตินั้นจะสะ ก, กิตใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็าตามมาไต่ตรองเหตุผลหรือด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจริงเป็นของสำคัญ การอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นแกนใต้แก่สติเป็นแกนอันสำคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาดความสืดต่อแห่งอัตแห่งธรรมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามาเนเราพวกเราส่วนมากมีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของข้าศึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเรานี้ ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่โสกกระปรอัดแน่นอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเวลาซึมซาบออกไปไม่ไหลไม่ได้จำเม็ดต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำที่โสกกระปรถ้าเผอมากเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายใน จ, ใจิตใจ เป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออกตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วก่เลยภายในนี้ก็ขยกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของกันแากันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของเจตเด่นนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหู ทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสุกรปรกที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุให้เห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมา อันเป็นทางของกิเลสความสกกรตกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามนะเสียงไพเระเพราะพิงเรื่องราวอันใดก็ตามโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเรื่องของกิเลสไปจับจองไว้ก่อนเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสออกไปจับจองไว้แล้วไว้แล้วเพราะมันอัดแน่นอยู่ภายใน จ, ใจิตใจหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางออกกับ การกว้านเข้ามาแห่งสิ่งที่เป็นค่าสุ์ด้วยกันก็เข้ากันได้ง่ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้เพรา ะ, ะนั้นการมาศึกษาต้องได้ใช้ความพินิษพิจารณาถ้าต้องการจะได้อัดได้ทำได้ยินใน ได้ข้อคิดที่เป็นอัดเป็นธรรมไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจตนเองไปในวันข้างหน้านับแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ได้หลักได้เกณฑ์ก็ต้องเป็นผู้มาศึกษาด้วยความจริงจังคือความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละที่ว่าการมาศึกษาอันเรื่องการมาศึกษานี้มีอยู่มากมายครูบาอาจารย์องค์ใด ที่ปรากฏชื่อนามมักจะมีพระเนนมากมายกายกองล่วงลังไหลเข้าไปหาท่านแต่การศึกษานั้นไม่ทราบว่าตั้งใจศึกษามากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากสิ่งที่จะพอสังเกตได้ในวาระต่อไปก็คือ ถ้าการไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความจงใจตั้งใจเพื่อเอาหลักทำหลักวินัยมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเป็นหลักใจของตนจริงๆแล้วผู้ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมีจำนวนไม่น้อยเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏความดีดังที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสัรทมทั้งหลายให้ มาประพฤติปฏิบัติเพื่อ เ, เพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจความประพฤติของตนให้ดีและดีเด่นเป็นลำดับลำดาถึงกับการทรงขั้นทรงตัวได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความเชื่อความเรื่มใสให้โลกได้รับความเ่วมเยนเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแก่ายแก่ประชาชนทั้งหลายอย่างนั้น ส่วนมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่ มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมมณฑลของเราเวลานี้นท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑเท่าที่ให้อวาทสั่งสอนเพื่อนฝูงมานี้ก็นับว่าได้ทอดออกมาด้วยความตรงใจ ที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมูต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสาคัญที่ได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนฝูงแล้วเป็นอย่างไรการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์นี่ยากนักยากหนายิ่งกว่าการเสาะแสวงหาเงินหาทองเพชรนินจินดาเป็นไหนไหนที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามากที่โลกนิยมกัน ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ายินดีมากก็ไม่เสาะแสวงหายากเหมือนเสาะแสวงหาครูหายอาจารย์ผู้ทรงอัปทรงธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมาก เรื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลําดับถ้าเราไม่รีบเร่งขวัญขวายอุตสาห์พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลําดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้ เมื่อเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อนฝูงที่มาศึกษาอารมด้วยกันก็มีหลักเกณฑ์ต่างคนต่างไม่มีหลักไม่สมกับเจตนาที่เข้ามาศึกษาอารมกับครูบาอาจารย์เมื่อแยกย้ายไปสู่สถานที่ของตนของตนแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่สถานที่ไม่มีหลักของพระของเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วจะให้ เป็นที่อุ่นเย็นใจของตัวและประชาชน ญ, ญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหวังพึ่งพิงได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่พวกเราทั้งหลายควรคิดให้มากความทุกข์ความยากความลําบากในการศึกษาอบรมนั้นทราบแล้วว่าอิเลสเป็นสิ่งที่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ทุกเวลาเวลาการดีดการดิน้นการฝืนที่จะหนุด <c oughs> ลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมรานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะรหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสําคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดลอยเอาอย่างง่ายได้ พอหลับไปเท่านั้นก็เผลอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระสารผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เชียชเฉียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบาย วิธีการจากท่านจอมป ร, ราบมีพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมในปฏิปทาของท่านมาแนะนําสั่งสอนเราให้เราได้ยึดเกณฑ์หลักเกณฑ์อันนี้ไปปฏิบัติต่อสิ่งที่แหลมคมอันนี้ที่เป็นมหาอำนาจนี้จะไม่มีวันหลุดลอยไปได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจําไว้อย่างถึงใจ พอไ อ, อ้อะที่จะประกอบความภาคเพียรความเห็นว่ายากว่าลำบากอันเป็นกนูุบายของจิเตนั้นแทะเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นกนูุบายของจิเลตที่แทรกเข้ามาจากความฉลาดแหลมขมของมันนี่นี่เป็นอย่างนี้ฟังซิว่าจิต ด, ดวงใดวิญญาณดวงใดในสามแดนโลกฐานนี้ได้เหนืออำนาจลิบหลุดลอย สลับตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัดรมของจอมปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเป็นเครื่องบุกเบิกฟาดฟันสิ่งตั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดลอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้แต่เราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว เอามาปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีที่จะสับจะฟันจะตกจะต่อยด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสแตกกระจายไปยังต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์นอกจากอาศัยครูอาศัยอาจารย์คอยแนะนําพร่ำสอนเราให้รู้อุบายต่างๆแล้วเวลาเรานําไปปฏิบัติโดยลําพังเราเองยังต้องเสียท่าเสียทีให้กิเลส อยู่ในอิเดียบต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ฟังดิเราไม่พ้นที่ที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันฟันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นฟังดินั่งสมาธิก็ เผลออยู่ในการนั่งนั้นเสียให้มันตกมันต่อยมันทุบมันตีเอาด้วยความฉลาดแหลมคมของมันถึงกับหลับในขณะที่นั่งภาวนามีเยอะนักปฏิบัติของเรานั่นเป็นยังไงความเสียท่าของเราเอาให้เห็นอย่างเด่นชัดๆอย่างเด่นเด่นชัดๆนี่แหละไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนภาวนามันมีแต่ท่ากิเลสสับฟัน จากความไม่มีสติของตัวเป็นพื้นฐานสาคัญทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าเราเรียนก็เรียนฟังก็ฟังจากครูจากอาจารย์อุบายต่างบรรดาอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสทั้งหลายแต่เวลาไปปฏิบัตินั้นไม่ทันมันนั่นสิควาาไม่ทันอาวุธที่ครที่ท่านเคยสังหารกิเลสให้หมอบลาบมามากต่อมากแล้วไม่มีอะไรเกินรำอาวุธเวลาเรานามาใช้ก็ เป็นอาหารว่างของมันไปเสียอาวุธนั้นของเราที่ว่าเด่นๆนั่นแหละมันนำไปเป็นอาหารว่างที่น้ำพลิกไปหมดถือเราเป็นอาหารไปเสียทั้งสิน้นแล้วเราจะหวังอามราผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่ได้พยายามตั้งใจของตนไว้ตลอดเวลาไม่ว่าเอยาบทใดยืนเดินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสเตะประจําหน้าที่ของตน หรือมีสติประจําตัวที่เรียกว่าสัมปะชัญญะเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประจําความรู้สึกนั่นแหละสําคัญมากที่สุดจับตุงออกจากใจนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติที่เสริมกิเลสได้ในบรรดาขันของเรานี้เป็นเครื่องมือเสริมกิเลสได้ แต่ไม่ใช่เป็นกิเลสกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจกระดิกพริกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ้นที่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบ <c oughs> การมีสติฝึกหาต้นให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านหลายฝังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติการเลื่อยมามิได้ขาดก็คือการผ่อนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มาก ในการปึกการทรมานเพื่อสติสตังของตนจะได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราและเป็นเจ้าของรักษาใจได้พอประมาณและรักษาใจได้ดีก็คือวิธีการอย่างนี้มากท่านจึงสอนไว้หลายวิธีเช่นเนสัชชิการอดนอนก็อดนอนเพื่อความเพียรเพียรในธาตุวิยาบททั้งสามคือยืนเดินนั่งทงั้งทั้งที่เราตั้งสติสตัง เรียกว่าความเพียรอยู่นั่นแหละแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเราว่าทดสอบเราผอนอาหารด้วยความเพียรของเราไปยังไงผลปรากฏอย่างไรบ้างอดอาหารมากน้อยคือหลายวันหรือน้อยวันเป็นอย่างไรบ้างในวงความเพียรของเราเฉพาะอย่างยิ่งสติจะเด่นกว่าเพื่อนก่อนอื่นสติจะเด่นเมื่อสติเด่นแล้ว ความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นตักสําคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเหี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเปลี่ยนทั้งหลายที่ทุกข์ยากลําบากเพราะการฝึกทรมานตนทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากทําก็ต้องได้ทําไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเข็ดหลาบนั้นหน้าเข็ดที่สุดแล้วเข็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอาอืรก็รก เอาทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบอ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นคลุก ข, ขาก็ต้องผ่านไปโคดโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลําบากอะไร่ไรก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรต่อเภรนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความเฉลิบเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องพลมายาของกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนนั้นก็ต้องทุก เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มพลอยล้มถอยไม่ทันการกิเลสออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นอย่าง ช, ะชะัดๆทำไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลสจะไม่เชียดไม่แค้นมีอย่างเหลือความเชียดแค้นประเภทนี้เป็นความเชียดแค้นของมรรคที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปหนักพากันจำเอาไว้ ด้วยเหตุนี้แหละการฝึกการตรมานตนจึงต้องได้ใช้หลายวิธีเราอย่าไปคิดว่าเราได้ทํามามากมานานแล้วมันจะประมวลเอาความเฉลียหลาบเข้า ม, มาปิดกั้นหัวใจให้ก้าวเดินไม่ได้ปิดกั้นปฏิปทาที่เคยได้ผลให้ก้าวเดินไม่ได้แล้วไม่เกิดผลอะไรเลยจะล้มเหลวไปได้นี่ให้ระมัดระวัง <c oughs> มันจะยากข น, น, นาดไหนก็าตามให้พึงคิดว่า กิเลสอยู่บนหัวใจนี้จะทุกข์มากขนาดไหนนานขนาดไหนไม่มีประมาณเลยการที่เราทุกข์ลำบากในเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้ซึ่งมีขอบมีเขตมีเวลาเวลาอันไหนมีน้ำหนักอันไหนหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันแล้วก็ต้องทางการต่อสู้กับกิเลสนี่แหละเบากว่ากันอยู่มากมายเอาทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสยอมทุกข์หนักดีกว่าเราที่จะทนแบกหาม กองทุกอยู่ทุกพบทุกชาติอันหาประมาณไม่ได้นี่คือไม่มีเวลาเวลาม่มีการสถานที่หมุนตัวไปอยู่ด้วยความทุกข์ความทุกข์เพราะความเกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังจะต้องทนหมุนไปอีกเพราะความกลัวทุก์ในการประกอบความภาคเพียรเป็นเช่นนั้นให้ยกเข้ามาเทียบกัน ผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี้ไม่มีอะไรจะละเอียดแล้มขมเกินกิเลสใน3แดนโลกฐานนี่ยกให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงที่สุดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ยอมจำนนทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้เด็ก รับความทุกข์แล้วเป็นความเฉลียหลาบต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่มีเพราะมันละเอียดแหลมผมเข้าไปทุกกับอนุกเบียร์ก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนะความฝังจมอยู่ในนั้นก็คือกิเลสนั่นทีไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายนาจในจิตใจมันจะต้องสุ่มหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้ กองแกบนี่แหล ะ, ะไม่มากก็น้อยกองเป็นอยู่นั้นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลสการต่อสู้กับกิเลสหนักเบามากน้อยเป็นแนวทางของผู้ที่จะดีดจะดิ้นให้หลุดพ้นจากกิเลสจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความระบากอันใดนอกจากว่าจะเอากิเลสให้บรรลัยลงไปเสียครองบรมสุขนี่เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องการอย่างถึงใจให้ท่านทั้งหลายได้นําไปพุทธปฏิบัติอย่างนี้ การลบกับกิเลสจะทําเป็นเล่นๆ เ, เหมือนสิ่งทั้งหลายไม่ได้นะเพราะกิเลสนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็าตามอยู่เฉยๆ เ, เราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสฟังสิแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสของตัวแสดงจะแสดงออกมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดง ถ้าเรามีทางทราบบังวักกิเลสของเราแสดงแล้วเราทําไมจะไม่เห็นโทษของใหม่ของมันทำไมจะไม่แก้มันแก้ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพ่งนี้แก้เพ่งนั้นแก้อุบายนี้แก่วิอุบายนั้นอยู่โดยลําดับลําดามันก็ต้องอ่อนข้อลงไปทุกวันทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นซี่เป็นของสําคัญขอให้ได้ไดําเนินไปสู่ธรรมที่เหนือกิเลสเถิด ยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็จะได้เทิดทูนธรรมทั้งหลายมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญมากในวงความเพียรว่าเป็นเลิศอันนี้แหละสามารถที่จะยังทราบในความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ฝังอยู่ภายใน จ, ใจิตใจไม่แสดงตัวออกมาเลยสติปัญญาประเภทนี้ก็ทราบเป็นแต่เพียงว่ายังค่ากันยัง ยังไม่หมดพูดง่ายๆว่างั้นเหมือนว่าไฟไหม้ลงไปเชื้อนั้นยังยังยังยังไม่ถูกไฟไหม้ก็ตามแต่ยังไงก็จะไหม้ก็ทราบอยู่แล้วว่านั่นคือเชื้อไฟเนี่ยไฟก็จะต้องเผาไปตรงนั้นตรงนั้นจนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันปัญญาก็ทราบอยู่ว่านี้ก็คือกิเลสที่นิ่งอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสจมอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสนอกจากกิเลสประเภทต่างๆ ที่ถูกทำลายไปแล้วที่ยังไม่ถูกทำลายก็คือกิเลสรู้ด้วยปัญญาอยู่เช่นนั้นนั่นจึงเรียกว่าธรรมที่เหนือกิเลสเมื่อถึงขั้นธรรมที่เหนือกิเลสแล้วอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหัตหันท่านจะโค้นกิเลสลงจากพระทัยและลงจากใจไปไม่ได้เลยเพราะธรรมชาตินี้เหนียวที่สุดไม่มีอันใดที่จะนำมาแก้นี้ได้นอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอันเรื่องของโลกนี้ เอาเอามาอุบายใดก็มาเถอะเป็นอุบายที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสหรือกิเลสผิดให้ทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วจะเอามาฆ่ากิเลสได้ลงคอแล้วหรือกิเลสมันจะยอมให้ฆ่าหรือนอกจากมันจะเอาเครื่องมือที่มันผิดขึ้นมานั้นฆ่าเรามาโดยลําดับดังที่เป็นมาอยู่แล้วนี้นี่ละท่านผู้มาศึกษาให้ยึดในหลักธรรมทั้งหลายไว้การไปการมาการสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ก็ให้ดูให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลส ข, ของตัวเองด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากับกิริยาใดส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าแสงหน้าทำไม่ไม่ไม่ไม่ทันแหละให้รู้อันนี้ไว้ และอุบายวิธีการฝึกทรมานก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันนักเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งๆ ท, ที่เราไม่อยากทำมันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสงห้างากิเลสคือเครื่องนี้ได้แก่สติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้เนี่ยมันต้องแนะนามาใช้ทุก ยากลําบากก็ต้องนาํามาใช้อยู่นั่นแหละเผู้ปฏิบัติจึงต้องเลยสังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัยคือแต่ละจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันไปในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนํามาใชา้ได้ผลประการใดนั่นแหละคือปฏิปทาที่ชอบทำของเรา ที่เรกว่มัชชิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชําระกิเลสด้วยการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั้นก็คือมัชชิมาพอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัชชิมาปฏิปทาท่านดําเนินอย่างไรในข้างพุทธการเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของ คนเราหรือของพระของเลนเราอย่างครั้งพุทธการส่วนมากที่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่างเพียงจดมีดโกนลงบนศิษะโกนผมผมร่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจรารณาก็ได้บรรลุอรหัตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชชีมาของท่านผู้มีอุปนิสัย สามารถขนาดนี้มัชจิมาของท่านก็ใช้อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เดียว่ามัชจิมาจะเรียกว่ายังไงก่เลสทางลงไปในขนาดนั้นได้สำเร็จเป็นอรหันตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชจิมาของท่านแต่เราจะนำมาใช้เอามัชจิมาของท่านมาใช้เป็นมัชจิมาของเราซึ่งมีความหนานแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้มาได้ไม่ถูกนั่นเราต้องแยกต้องแยกเอามาใช้ ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชจิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้นอย่างพวกเราท่านท่านไม่ทราบว่าหนาหรือบางมอ ด, ดหมดหัวใจเรามีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจกิริยาท่าทางแสดแสดงออกไปแงใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี้เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชจิมาของเราแบบให้ มันลากไปแบบถลอกปอกเปิดจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวนั่นเหลือเป็นมัจจิมาของเรานั่นเป็นมัจจิมาของกิเลสแบบเหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้พระประเภทนี้ต้องลากต้องถูต้องเข็นต้องทรมานมันอย่างนี้มันถึงจะได้รู้จึกตัวบ้างเวลานี้สติมีหรื อ, อยังมันอยากจะถามางั้นอีกทีหนึง่งหนังของเธอไม่มีแล้วนเวลานี้ถูกถลอกปอกเปิดเพราะได้ลา ก, ไ, กไปถูไปลากไปตื่นแล้วยังมันอยากถามว่าอย่างนั้น แล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะเอามัชชิ ม, มาข้อไหนมาใช้เมือ่อกิเลสมันถูมันไถไปต่อหน้าต่อตาเราต้องเอมัชชิ ม, มาที่เด็ดเจ้ต้องเด็ดต้องเจียบขาดวิธีการใดที่จะทันกิเลสมันลากมันถูเราไปนี้วิธีนั้นต้องนํามาทันทีนั่นแหละคือมัชชิ ม, มาของกิเลสประเภทนี้ที่จะสังหารกันได้ลงนี่เอาประเภทอื่นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นที่คําว่ามัชชิ ม, มาในตัวของเราคนเดียวนั่นแหละ ในขณะนี้ที่จะควรใช้ความเพียรเผ็ดร้อนประการใดความเพียรที่เผ็ดร้อนประการนั้นได้ผลเพราะกิเลสยุบยออลงไปนี่ก็เป็นมัจจิมาของเราได้ผลเช่นนี้เราก็ต้องพยายามทำลงไปให้หนักมือหนักมือนี่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสําหรับจลนิสัยของตนและรู้นิสัยของตนที่จะปลึกเจทรมานอย่างไรกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนนี่เราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ ถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วก็ใช้วิธีหนึ่งอีกจิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิบีบังคับเข้าใส่เช่นอย่างยกตัวอย่างคำบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ตาก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คำบริกรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตาก็ตายไม่ยอมปล่อ ย, ยอมไม่ยอมวางคำบริกรรมมนี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตาเป็นก็ตายก็ตานี่ก็เป็นมัชจิมาหนึ่ง ในทําขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือมันยังจะชอบคิดไปในทางไหนอีกเ้าตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิตีต้ อ, ตอนเข้ามาจนกระทั่งมันจนกรอกจนมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัจฉิมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นขั้นเมื่อจิตมีความสงบเยือเกเย็นแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนํำทำประเภทใดที่จะทําจิ ต, จตที่เสริมจิตของเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไป แล้วนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคำว่ามัชชิมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั้นเป็นพื้นฐานปล่อยไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้นนี่เราก็ต้องนํามาใช้นี่เราท่นานมัชชิมาให้เป็นผู้ปฏิบัตินั่นแหละเราปฏิบัติเองนั่นแหละเราจะทราบคำว่ามัชชิมาปฏิบัทธของพระพุทธเจ้าว่าเดินทางสายกลางมันกลางยังไงมัชชิมา ปฏิปทาคือทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักนี่แล้วกิเลสมันมีทางเป็นทางสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นหรอกลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยั่งค่ําคืนยั่งรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลืคล่นในทะเลมันไม่ได้เรียบแด่นล้าบอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแต่ต้องมันผิวทะเลนะ้นําทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนคลื่นมันจะ ขึ้นท่วมเมฆน่นะว่าไง น, นี่เวลากิเลสมันกระทบขึ้นก็ามามีอาหารเข้ามาอยู่มากกินได้กระทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสหรือเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมอ่มขึ้นกระทบกับกระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะใช้มัชฌิมาแบบไหน บ, บังคับจิตใจที่มันเป็นคลื่นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชฌิมาของธรรมเข้าอีกเนี่ยนี่แหละกิเลสมันมีหลายคลื่นหลายประเภทหลาย อย่างหลายประการเราจะนํารรมะกิมาปฏิบัติธรรมเดินทางสายกลางสายกลางมาใช้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะเหมา ะ, เหมาะกิเลสประเภทใดเหมาะกับการชําระหรือเหมาะกับการสังหารกิเลสทำประเภทใดเราต้องนํามาใช้เนี่ยผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเรื่อเรียนผิดถูกชัว่วดีจะเป็นครูปาจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดู้ในปฏิบัติธรรมเครื่องอคำนวณของตนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทําไปหลับไป เพิมไปฝันไปละเมอไปทั้งทั้งที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นแต่อ้งวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอย่าไปคาดไปคิดเอามักผลนิพพานนอกจากเหตุที่แม่นยำในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยำมสีสติสตังเป็นเครื่องกํากับรักษาตนนี่แหละเดียวกับเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยเดือนแห่งความสงบคือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญา เรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิม่มอารมณ์พอประมาณไม่ทะเลาถลายเร่ออนด้วยความหิวความหัวกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นำจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิจพิจารณาค่อควรในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้พินาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยกข่ายพิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกอง นิปพัฒนาอยู่แล้วแต่หลักธรรมชาติของสิ่งนี้ตามความเป็นจริงของหมันมีสิ่งใดที่เราจะควรยึดคนถือว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นที่สดสวยงดงามมันเต็มไปหมดด้วยของบรรกูลโสโครเมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นนิปพัฒนานี่ยแยกแยกเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนมันก็แย้มออกมาความจริงให้ปรากฏประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วเกิดความเชื่อความเลื่มใสความดูดดื่ม ในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบบกองทุกอยู่ทุกภพทุกชาติทั้งมหันตทุกก็เราเป็นผู้รับเหมาอปหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในรกมันก็ไปเกิดนี่จะว่างไงไปเกิดเป็นจัตนนรกว่างไง นี่มันออกจากความเกิดความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดสักอย่างเดียวดุกข้างนาถิอชาตัสะทุกจะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นอ่ะท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั่นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนลากแก้วคือวิชานี้ได้เราต้องโค่นเข้าไปโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวเขามันเข้าไปฟันลากฝอยลากอะไรเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมา ไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้นเรื่องของภพของชาติภายในจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็คลิปหายไปได้ถ้าอาวิชชาปัญญาถูกถอดถอนออกมาออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทำให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานรับทานเช่นอย่างช้อนช้อนแรกอิมเมื่อไหร่ คำแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนกันขึ้นเราก็รู้นี่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมผัสสัมพันธ์เพราะการรับทานนั่นเองแล้วอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิ่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนกันการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทําอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรในหิวโหวยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวที่เหล่ อวิชชาปจิยาสร้งางขาราแล้วก็ขึ้นตันหาหนางว่างเวิชาไม่ให้ไม่ใ ห, ใ ห, ให้อยากจะให้อะไรเแเราไปว่าจะ ต, ตันหาหาตันหาก็ออกมาจากอาวิชชาเป็นขแขนงเดียวกันของวิชาต่อเนื่องมาจากกาันแต่ฟันลงไปฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้ทาเปลือกออกแล้วก็ถากระพรี้เข้าถึงแก่นออกมาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแการของจิเนธทั้งหลายก็คืออวิชชา เนี่กระพี้ของมันก็กระจายออกมากิ่งแขนงของมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิ่งแขนงของอวิชชาทางนั้นตาหูจมูมกเลี้ยงกายเป็นกิ่งเป็นแขนงทางเดินของอวิชชาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินด น, ดนั่งนอนแม้แต่หลับยังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นนั่นมันออกหากินเหมือนกันแต่เราไม่ทราบว่าคืนนี้ฝันงั้นฝันอย่นี้เป็นบ้าไปตามลมฝันอีกเวลาสดๆก็ฝันอีกแบบหนึ่งเวลาหลับไปก็ฝันอีกแบบหนึ่งตื่นทั้งหลับทั้งตื่นน่ย ฟันสดฟันแห้งมันตื่นไปหมดเมื่อยังไม่รู้สึกตัวแล้วต้องตื่นอย่างนั้นตลอดอะนี่เราจะทําอย่างไรเวลานี้แล้วแบกอะไรอยู่เวลานี้ไม่เรียกว่าแบกกิเลสจะว่าแบกอะไรหัวใจของเรานี่คือครังกิเลสเมื่อแบกครังกิเลสก็คือแบกกองทุกเรายังจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกถ้าจะแบกกองทุกก็ให้แบกกิเลสนี่ไม่ต้อง มีแก่กิจ ใ, จใจที่ต้องชาระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดปัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกออกจากหัวใจหรือเปลื้องทุกจากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากทําำแบงนั้นเราก็ต้องทนอยู่อย่างนี้แล้วย่าบนออะทุกข์ก็เป็นเราะเรื่อของเราก็ก็ต้องแบ่เหมืนนั้นแต่ยกตัวอย่างใกล้เอาไฟมา่กี้ลองซิเป็นยังไงมันร้อนไหมไฟ ไฟแม่ร้อนเรามันจะตายอย่างที่จะ่าไงนี่ทุกมันไม่รู้แต่เรามันพูดผู้รับทุกมันจะตายอืมจะว่าไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกเรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะเธอจะทุนอานักหนาไม่รู้สึกตัวเลยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของมันกล่อมเรารู้ไหมละ่ะไม่รู้จะทํำยังไงนี่ที่พวกเราเป็นอย่างไงเพราะฉะนั้นการเจาะแสดงหาครูอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายเด้น ในนำหลักเกณฑ์ของครูของอาจารย์ที่ที่ท่านอธิบายโดยความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นแนวทางอันดีงามแล้วนำไปพื้นปฏิบัติอย่าไปแบบเลีๆยวไหลไปอยู่ก็อยู่เลี้ยวไหลไปก็เป็นแบบนั้นแหละดีไม่ดีเอาท่านไปเป็นเครื่องจับจ่ายขายกินไปว่าอยู่กับครูว่าอาจารย์นั้นมาแล้วอยู่ครวาอาจารย์นั้นอาจารย์ตรงนี้มาแล้วเคยอยู่อาจารย์นั้นมาแล้วเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วประกาศความโง่ของตนประกาศความเลวทามคนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับ เอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายสินมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะนี่ถ้าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอะว่างั้นครูบาอาจารย์ตั้นสอนว่างไงแม้ถจะจากท่านไปแล้วธรรมะนั่งสดๆดดร้อนๆกลางวันในหัวใจของเราที่เราจํามาได้จากท่านท่านว่าอย่างนั้นธรรมะอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การพรากจากไประหว่างอาจารย์กับเราระหว่างท่านกับเราแต่ธรรมะอยู่กับหัวใจความจําลงในหัวใจก็เป็นความจริงขึ้นมาจากหัวใจนั่นแหละให้ตั้งใจพากันไปพื้ปฏิบัติ <c oughs> นี่ก็นับวันมากขึ้นทุกวันทุกวันว่างไงนี่ก็สี่จุดเก้าแล้วเนี่ยดูสิอันมากหมาย 49, สี่จุดเก้าฟังเธอแล้วมันจะหาความสงบสงัด ม, มาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีผงสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจรณาสิอย่าว่าผมนีฮัตตำหนิติเกียนหมู่เพื่อนนะท่านมาแนะนํนนาว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนําจังสอนอันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราว ดูให้ดีเป็นยังไงกาสามภะแปลวา่าผ้าย้อมฝาดนี่ยมันสียักษ์สีขี่ยังไมันมั น, มนย้อมอะไรนั้นฟังสิเราก็ต้องพิจารณาเลยถ้าเอายืดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้ว่าเราเคยใช้อย่างนี้นี่ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่แน่นหนามากอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่เรียกว่ามาแก้เกลเล็มาสั่งสมกเกลเอ็มาอวดทิฏฐิมานะไม่สมก็มาศึกษาอบรมถ้าว่ามาศึกษาอบรมาออเห็นว่าถูกต้องแล้วก็ ก้ <9 S 2> เดินตามนั่นเท่านั้นเปื้องทันทีอันใดที่ไม่ดีเพราะสิ่งจำปอ ม, มันเป็นของดีเมื่อไร่เมื่อทราบว่าเป็นของจำปอ ม, ปอมแล้วก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนอกจากไม่ทราบมันก็สูญวิสัยก็ทํามาตามเห็นขู่อาจารย์เห็นเปื่อยเห็นผูงทํามาก็ทํามาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีชั่วประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องสว ง, งามขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ ไม่ปวนเสียดายในทิฏฐิมานะอันนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่มีคําว่าอ่องตั้งใจราพติปาดีให้เห็นเหตุเห็นผลทำมาบริจ้าประกาศกลางวานันช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังซิงว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอดในธรรมที่จะนํามาช่วยตัวเองนั่นสิมันให้แต่กิเลสย่ายํายีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเนนทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครเมแต่กิเลสย่ายํายีตีแหลก อยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นนักปฏิบัติเนี่ยสําคัญมากนั้นตีอยู่ในหัวใจนี่เด็ดดิ้นอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของทำฟัดกับกิเลสเลยนี่ที่เราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุโทโธมาจากไหนหวังเอาความสุขความจเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีใจใจที่จะทําความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องแม่นยํำนะมันเน้นหนักลงไปที่ ผู้ปฏิบัติแบบแผนตํำรับตําราท่านก็แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตามตํำรับตําราเราท่องบนสังวรทยายก็ประกาศกลางวันอยู่ในปากในหัวใจของเรานีสดสดร้อนร้อนอยู่นี่แหละทําเครื่องคราฆ่องากิเลสสดสร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันมีอยู่สดสดร้อนภายในหัวใจของเรานั่นแหละถ้านํามาแก้แก้ตรงนี้ไม่มีการสมัยที่ไหนเลยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกปัด ทำมาวุฒทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีตะกิเลือดเหยียบย่าทํำลายเผาหัวใจคือยั่งรุ่งวันยั่ค่าตั้งตั้งกลับทั้งการมาไม่มีวันอีกพอไม่มีวันจิตจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจสัตว์โลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็กทำนี่หมดหมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวลามเวลาแล้วหมดเหตุหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานน้นนั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มักได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติผู้พูดเช่นนั้น มันปล่อยให้จิเลตเยียบหัวมันหยุดออกมาจากลมปากของผู้ที่จิเลสเยียบหัวอย่างหาที่ค้าไนไม่ได้เลยนั่นเองนี่ <men ly> ผู้นี้ผู้แพ้แพ้จิเลตอย่างราบเลยผู้พ่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเรียลสามของคตนเพราะจิเลตเยียบอย่างราบนั้นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครจะ อ, อยากฟังอหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะไม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังไร หัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ฉนาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบกิเลสเหยียบลงไปจนที่ทะลักออกมาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพะขนาดตือว่าขี้ทะลักทั้งสิแล้วอาาประกาศประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเท่ากันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานธรรมนี้เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไร พระพุทเจ้าโง่หรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุโทโธนำทำมาสอนโลกแล้วยังจะเอาทำงโง่ามาสอนโลกอยู่เหรอก็ทำทำฉลาดเท่านั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเมื่อผู้ประกาศตัวว่าลบล้างทำรร ม, มามรรคผลนิพพานไม่มีนั่นตัวจอมโง่ที่สุดน่ยมันเหนือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิดนานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะเรื่องเหนือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของท่านนี้เป็นเพศที่เลิอดแล้วนะ ชีเลตมันไม่ได้เห็นว่าพระว่าโยมว่าใครต่อใครแล้วมันไม่ได้เห็นว่าหัวโลนๆล่ะมันพอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นชี้เลตมันเคยเหยียบอยู่บนหัวคนมาตั้งแต่เราจะไม่บวชมันก็เหยียบมาแล้วบวชแล้วมันก็เหยียบอยู่บนหัวบีอยู่บนหัวใจเรานั้นแล้วบวชแล้วมีไหมความโลภความโกรธความหลงราค้าตัณหามีไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามันเหยียบอยู่นหัวใจมันไม่กลัวผ้าเหลืองถ้าเราไม่นําธรรมะเข้าไปเหยียบย่าทําลายมันแล้วยังไงมันก็อยู่นี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จจะเเนื้้้ออธธรขงพุุทททาผูบิิส์โ เอกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยทำของท่านผูดมีคู่แข่งมาส่อโลกจะเป็นโมฆะไปที่ไหนนอกจากตัวของเราสร้างตัวทําตัวให้เป็นโมฆะซะเองอะไรมาแก้ก็ไม่ตกถ้าคนได้เป็นโมฆะก็เช่นเดียวกับคนยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าห้อง ICU แล้วเท่านั้นเอาอะไรมามันก็ไม่มีความหมายอันนี้ทําอะไรก็ไม่มีความหมายคนถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเวลานี้ไม่ใช่คนเป็นคนประเภทนั้นทำไมจึงต้องยอมตนให้เดเลสเดียวย้ําทํำลา ย, ยตลอดเวลา มันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไง ท, ที่พูดเวลานี้ชราบไหมว่ากิเลมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ทําอ้อยิงแค่จังสิ่ผู้ปฏิบัตินี่กําลังเหลวแหลกไปทุกวันทุกเวล่มเวลาละนะกรรมาฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะถือโลกามิตนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลอ ย, ยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประคุปฏิบัตินะความตั้งอกตั้งใจที่ที่ ได้ตั้งมาตะเกียจตการมานั้นอนะ่ะเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ําทำลายไปหมดแล้วนะโลกามิตสักกาโลภุริสังหันติภาพสักการะมันฆ่าคนโง่ว่างัน้นปุ่นยังไงแต่อผมเห็นชัดๆอย่างนี้สิปลาตายเพราะเหยื่อล่อปลามันโง่มันตายเพราะเหยื่อล่อเพิกสุเราก็ตายเพราะความโง่เพราะความเห็นจะโลกามิตดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงไปอย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผลนิพพานดีกว่า กว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุใดสิ่งนี้จะมาเหยียบย่ําทำลายหัวใจได้บ่าอันนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยทั้งยี่ห้อปัจจัยปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งตอนั้นสิ่งที่เลิ่อเรอที่สุดที่มุ่งอยู่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนลงก็สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้ดูดพ้นจากทิเลอะตั้งหลายที่มันเหยียบย่าทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นทีเลอจะเป็นอะไรไปหลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นพระกัจจมันจะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลานี้จะเป็นกรรมฐานหากินเป็นนนนัเแลล้้ววาี เป็นกรรมฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั่นกินนี่อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นเอาครัวอาจารย์ประกาศขายกินอีกช่วยขายขายขายกินหากินได้ง่ายเอาครัวอาจารย์ไปขายพักกันจำล่างไหลลงไปกรุงเทพนเนีลยไปว่าไม่อะไรสะพา ย, ย่ําดีไม่ดีอ่ะและ้วเงินจะเต็มย่านะมันจะเป็นนันแต่นี้นะ่ะหรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เร็วขนาดนั้นเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเร็วนุ้นขนาดนั้นนะ มันน่าทุเลาจริงๆแล้วคําว่าสายพ่อแม่ครูจันมั่นสาวแม่ครูจันมั่นนี้จะต้องออกหน้าออกหน้าตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายกว้างขวางไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะแต่พาการจำมาไว้การพูดทางนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและผู้จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเองถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ด้านยิ่งกว่าส้นเท้าข็หมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเถิดถ้าลงมาด้านขนาดนั้นแล้วหมด ไม่มีทางแหะพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการอาัคคุณิพานเชื่อพระริเจ้าว่าพุทธังธรรมสัณดรฉามิอยู่ในหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิอดประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งพออย่างชีวิตที่เป็นปณจิ น, นิเท่านั้นไม่เป็นของสัมพันธ์นอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุ่งต่อมัคคุิพานท่านจึงไม่ต้กงังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลาย ยิ่งกว่ามรรคผนิพพานที่ท่านจะเอาให้เต็มหัวใจนี่เราเป็นคนประเภทไหนพระเป็นประเภทไหนเอาสิฟังสิก็เทศน์มาท่านหลายฟังแล้วร่วมสี่สิปีแล้วนี่แผมจะเอาอะไรมาเทศน์ตั้งนานทนเ่าอยู่ก็หมู่ก็เพื่อนผมก็ทนเวลานี้เป็นนะมันเป็นมาเป็นมาโดยลําดับอดเข้าย่นเข้าหัวใจนี่ไม่อยากจะเล่นกับอะไรคลองธาตุคลองขันจะคลองอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรอะไรไม่ไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้น เพียงธาตุขันนี้ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเขาอีก응เรื่องภาระานั้นภาระนี้ในการแนะนําสั่งสอนอุบาตต่างๆูอะไรก็มาเกี่ยวข้องกันตามามันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึหนักมากเข้ามากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามากเข้ามากเข้ามันกยน็ย่นชีวิตจิตใจความอยู่เข้ามาหดชันเข้ามาอีกเหมือนกันนขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคุย ป, ปฏิบัติละการเทศเลยนะทุกคน ไหนพอที่จะลงใจใทําบุญให้ทานกราบไหว้วลงได้สนิทใจก็อยากไปคนเราไม่ว่าไม่ว่าใครหลงว่าใจมันเหมือนกันจี่ไหนมันกลืนไม่ลงก็ไม่อยากกืนไม่ว่าเขาว่าเราอยากกินอะไร ก, น ก, กินก้างกืนกระดูกลงคอโนะ้มมันอยากตายอยูนนะุดหยุดนี่มันเหมือนกันมันมันขวางยิ่งกว่าก้างมันขวางคอนะ ทีนี้นับวันดีไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนยังไม่ยังไม่ร้อนตามบรรดาเดือนกุมภาวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดแล้วก็เริ่มร้อนแล้วมีวันถึงวันที่สิบเจ็ดแล้ยังเย็นยังพอสบายถ้าร้อนหนูลำบากมากนะผมถ้าถ่านก็สุดนอนที่ไหนก็นอนไม่ได้ทั้งวันเงาแตกนี่นอนก็ค่อยหลับสบายนะ มันไวแล้วนอนมันไม่ไ้มากนะรับหยุดยาวหยเดีย ว, ยว แ, ลลแล้วก่อนถ้าหลับแล้วหลับไปเลยพอตื่นแล้วลุกเลยท่าหนหลับผมฝึกเจ้าของมาอย่างนั้นนะผมยังลึกไม่ได้เลยว่าผมตื่นแล้วผมกลับมานอนอีนี่ผมลืมไม่ได้เลยนะในเวลาปฏิบัตินะนอกจากเท่าแก่มาแล้วนี่มันเราทําตามท่าตามขันนั่นเนี่ยเราเสริมเรามีแต่เสริมมันขนาด น, นั้นมันยังไม่ขึ้นนะ ดันมันขึ้นมันก็ไม่อยากขึ้นมีแต่สุดสุดลงนอนก็อยากให้มันนอนมากมันก็ไม่อยากมันก็ไม่อยากมากใช่เนี่ยนอนไปยี่เดียวเดียวก็ตื่นตื่นกลางคืนไปก่อนคาดคันมันก็ดีความมั่นมั่นต่อความเพียรมันก็สุดหัวใจว่างั้นเถอไหนีจะมาหันนอนหลับอีกอยู่ได้ยังไงผมถ้่านั้ผมเองไม่เป็นยริงๆขนาดนั้นนะฟังดิ เพราะนั่นการแนะนํต่างสอนหมู่เพื่อนจึงได้สั่งสอนอย่างนี้้ออออไปไปตามเออของจิตเด็ดอออไปตามมันพมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วมันจะอเอออให้มันเหยียบในมันจะมีหัวเดียวนอคนเราหัวใจจิตว่างเรียนหนังสือก็อมันก็เหมือนกัน พรอนันก็นก็ตั้งใจไปอีกครั้งถึงขนาดที่ว่าสอบแล้วนอนไม่หลับเลยเรียนสอบก็ือนยิ่งเร่งเรียนเอาจริงเอาจังเลยสอบแล้วก็นอนไม่หลับพ่งห น, นี้ต่างจังหวัดไป น, นอนสบายๆอ น, นี่พอพยิ่งมาออกมาปฏิบัตินี่อันนี้มันเรื่องเข้าแนวลบขึ้นเที ตั้งหน้ามาขึ้นเวทีนี่ไหนจะไปนอนตื่นแล้วมานอนอีกนี่ผมไม่ระลึลกไม่ได้เลยนะเพราะความจงจข้างหน้ามันไม่เคยเมียกันมันไม่มีเจตนาที่จะไปแสงอันแบบที่ว่านอนตื่นขึ้นมาแล้วนอนอีกทีนี่ไม่เคยมีแสงมิเตมันพุ่งพุ่งข้างหน้าเพราะตื่นมากก็พุ่งเลยมันจะไม่หมุนกลับมานอนอะไรทิ่มันรุนแรงขนาดนั้นเลยว่า แม้กั่งจะกล้าพูดหรือว่างานใดก็ตามไม่ได้หนักต้องงานค่ากิเลสกันบอกแล้วนานอันนี้ลืมไม่ได้เลยวะฝังนึกมากมันบอกคนเราในใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวนี้เลยที่ว่าไม่ได้เอามาต่อกอรกิเลสมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะลืมได้ยังไงเพราะว่าท่านทำส่วนร่างกายมันก็แสนทรมานแสนทุกข์แสนทรมาน ทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรว่าเบาๆนะงู้งแบบนั้นนะมันจะไปลืมได้ยังไงมันเป็นงานที่ลืมไม่ได้เป็นงานงานสัจจะทำสัจสจะคือความจริงฝังลึกไม่ใช่ความจำํำมันกลายเป็นความจริงมาหมดขนาดไหนขนาดไห น, นก็ฟั ง, งในหัวใจนี่ไหนจะประมาณ น, นอน ผมมามาเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่นี่ตอนได้ 19, สิบเก้าพรรษายี่สบพรรานะ 19, สิบเก้ารรษาเครื่องกระบ 20, าดยี่สบรษาเนี่ยผมยังไม่ลืมเนี่ยผมอยู่ห้อยสายคือปกติของการนอนของเราเนะี่ยพอมันฝึกมาอย่างนั้นนี่พอรู้สึกตัวนี้มันจะเดืดถึงเลยทันทีนะถ้าว่าคนนอนอยู่ในห้องด้วยกนันนี่จะต้องตื่น พรามันตื่นแบบสะดุ้งเลยถึงทันทีเลยถึงเลยทันนั่นเป็นอย่างนั้นฟังดิฝึกเจ้าของฝึกมาขนาดนั้นจนชินเป็นนิสัยพอพอรู้สึกตัวนี้มันจะดีดถึงเลยทันทีแล้วมันจะมันกลับมานอนได้อย่างไรฟังดิมันเข้ากันได้เลยกลับดีดถึงเลยที่จะลุกมานอานอีน ที่นี่เวลามาฝึกที่แรกโอ้ไม่ได้นะนิสัยมันเร็วพอรู้สึกที่มันผึงก่อนแล้วพยายามเอากันอยู่นานโอ้มันจะร่วมปีเลยคือพอรู้สึกแล้วไม่ให้มันลุกนะให้ลุกขึ้นธรมธรมดาธรรมดาคนมีสติสตังรัศณะ น, นั้นอันนี้เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามีสติวัตสติสต แ, แบบผึงกับแบบธรรมดากันอ มันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องของจิตน่ะอย่างนี้เร า, าทำมันลุกพอดีพรธรรมดามพยายามฝึกใหม่อันนี้เวลาฝึกมา น, านานอย่างทุกวันนี่โอ๊ยตื่นแล้วมันก็ไม่อยากลุกขี้เขีย้มันเต้าแก่แล้วมันเป็นอยู่แบบไ้นหลนนี่นนเฮ้ยมีแต่เสริมนะ่นทุกวั น, นอย่างนมนียผมผมก็ฉันอย่างนั้นนะไม่ได้อยากอะไรนะเห็นว่าพอฉันไปแล้วธาตุมันมันมีผ้บวกจากนม ก็ชันแบบนั้นนะไม้มถึงอายุมาแก่แล้วกบบอีแตเสริมแต่ก่อนว่าไม้ไม้เลยเหย่ตัดขาดสะบัน้นไหนีมาว่าอะไรมาสืบต่อกันได้นมนุ่มนิ่มเดิมผมไม่เอาจริงตั้งแต่เรียนหนันสืออยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่เอาเรียนหนสืออยู่มันคือมันมันเสริมยิเรียนประเภทที่ว่าลาข้าตันหาอะไรสําคัญมากนะเราเรียนนี่เราก็เราก็เป็นผ้าล้วก็เป็นทำนี่ เมื่อรู้อยู่แล้วก็เราจะไปเสริมมันยังไงเนี่ยเหตุที่ว่าไม่ฉันเรีย น, นถือผมก็ไม่เอาได้มาอันนี้ก็ทวายครูบาอาจารย์ใหญ่ไปไม่แตะเลยนนยิ่งออกมาปฏิบัติด้วยแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละว่างั้นเลยมนะันเป็นไม่แตะอะไรอะไรที่มันจะมาเป็นเครื่องเสริ ม, มต้องตัดออกตัดออ ก, ต, ออกตัดออกเลย งั้นจะเรียกว่าปฏิบัติไงไม่สังเกตเจ้าของไม่รู้เรื่องความบกพร่องของเจ้าของจะควรแก้าขาไขแต่แปลงไนมันต้องรู้สิผู้ปฏิบัติองนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นนิสัยงั้นนามาสอนหมูสอนเพื่อนมันโอ้ยอย่างว่านหะผมพี่ยัมองภาพนี้มันขวางตาแล้วนะเนี่ยทั้งทั้งที่เราไม่ได้เสาะแสวงหาโทษหากรรมหมูเพื่อนยกโทษหมูเพื่อนนะ ก็เราเป็นครูเป็นอาจารย์นี่นั่นสำคัญที่ตรงนี้พ็แป๊บมันก็เห็นความบกพร่องความง่ายว่างั้นเหมือนนักมวยเขาเนี่ยเคยเล่าให้ฟังฝึกซ้อมแต่แทบร่วมแต่ตายเวลาขึ้นไปต่อยเขาเขาเลยเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยม่อยคูมันจะกล้ากล้าเลือดตายซะด้วยซ้ำไปว่างฝึกจน แล้วขึ้นไปฮนะเป็นกระสอบเขาต่อยอ น, นี่ก็เหมือนกันมองไปมันเป็นลักษณะนั้นไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นของมันเองขัดมันก็รู้ว่าขัดขวางก็รู้ว่าขวางเนี่ยอย่างไรไม่ขวางก็ต้องรู้ว่าไม่ขวางสิของตาไนมะ่เคยใช้มาเท่าไหรมไม่เอาขันอย่างจริงจังมันไม่รู้เรื่องของทีตหลี เอานันอิงจังเอาเป็นเอาตาย ก, กันนั่นนี่อ่ะว่มีดงศีจุ่มอะไรดงผูวานอันนึงดีอยู่สถานที่เหมาะอยู่หลวงพ่อตันก็ดีอยู่นะสถานที่ผมดูแล้วชอบดีอยู่สงัดดีในสําคัญที่ผู้ให้การแนะนำสอนที่ย่าง ต้องพ่ตันนี่เท่ากับแ่ขนาดแล้วเท่ามันก็เอาเรื่องไครละอยู่เฉ้ๆมันก็อยู่แบบก่อยๆแลอะไรไม่มีรสนิยชาตินะเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดโอมันสําคัญมากนะถ้าอยู่ป่าก็ ป, ากปาก่าขนาดไหนก็ปากก่าเถอะจิตมันไม่ได้นั่นมันดิ่นของมันอยู่ในนั่นมันฟัดมันเหี่ยงในนะั่นฟัดเราถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่หลักได้เกณน์เราจะเพียงว่าอยู่ในปาใ่าเฉยๆลาพังเรานะโอ้ใครจะไปกล้าพูดนะ ให้ไปอวดตัวนะถ้าจิไม่มีหลับไปอยู่เดี๋ยวก็เป็นไปมันก็เป็นเหมือนสัตว์เป็นตัวหนึ่งไปอีกแล้วรักษาเจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้มันเป็ น, นอย่างนหัวใจเจ้าของผู้เดียวอยู่ในป่านะมันต้องเป็นมันนะผมนี่เป็นแล้วนะผมได้เอามาพูดนี่ตอนนั้นยังไม่ได้หลับได้เจนอนะ่ะมันเป็นอย่างงั้นนะไปอยู่ท่านที่จะเป็นจะดีอยู่คนเดียวดีในป่ายังยังไมไ่หลักได้เจนเลยอยู่ก็เป็นยังไงเือ นี่เลยมันมันมีน่านมากมันเยียบอยู่ต่อหน้าต่อตามันตีออตาเราบางทีเราลืมตาอยู่นั่นฟังไงโอ้เพราว่าถ้าเปลี่ยงนี้ไม่ไหวเนี่นรู้จักของนะบางอย่างนี้ไม่ไห ว, นะ อ, ไไหวออกจากกลัวใจไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้น่ะมันเป็นทีนี้พอมันได้หลักแล้วเป็นอีกอย่างนี่เพราะบางจังหวะได้หลักอมันสนุกฟาดแบบนี้เห็นถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นั่น มันเป็นขั้นเป็นขั้นมันอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยถึงขั้นมันคนเดียวมันก็คนเดียวมันขั้นที่จะต้องแอบกับครูอาจารย์มันต้องแอบฟังนี่ก็เป็นมหาอย่างนั้วมันทํำไมไปตปล่ยนงานเนี่ยที่เราเรียนมาความจําของเรามันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเราได้นะเห็นแต่ขั้นในจิตวใจัยอยู่ของนี่มันต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นแม่เด็กดึงดูดคอยแนะคำคอยบอกแล้วมันยังเป็นแม่เด็กดึงดูด อยู่กับท่านมันร่มมันเย็นี่เหลสมันไม่คึกขนองไม่เพ่นท่านทังทั้งที่กิเลสมันก็มีในหัวใจแต่มันไม่ออกแสดงระวังแล้วก็อยู่โดยลำพังเจ้าของแทนที่จะเอากันให้เต็มเหนี่ยวมันไม่ได้เต็มเหนียวมันมีกิเลสเอาเราเต็มเหนียวโอผมเหมนผมเป็นน่ะเนี่ยที่ว่ามันเมื่อมันยังมันหลังได้เกณฑโอยใครจะอวดดีนะว่ะแล้วไปอยู่คนเดียวเราก็จะจะได้สะดวกสบายแล้ว ทั้งที่ยังไม่มีหลังเกียรนี่อ้ยอย่าไปอวดพูดมาผมนึกเป็นมาแล้วแล้วจากนี้ไปก็ไปที่นั่นอะไปที่นี่มีมีพระพูดว่ากระเทือนถึงใจผมทันทีเลยนะเพราะเป็นพูดในสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วนี่ทําไมไมันจะไม่กระเทือนอันนั้นอะที่ที่พักวัดช่องลมนะ่ะที่ผมไปพักนย่งนั้นแล้วผมไปคาหลังเนี่ย พิกายหรือไงนะผมไปก็ทําไมสถานที่นี่มันจะไม่ค่อยมีพระอันเป็นเพราะอะไรมีพระองค์หนึ่งอยู่นั่น ม, มันก็สงบสงัดดีอยู่ทํําทาไมไม่เห็นพ่อมีใครมาอยู่เปนอนเพราะอะไรพระท่านมาอยู่คนเดียวก็กก็็เยอะสงัดก็เจิตจริงอยู่เห็นแต่จิตมันมันมันไม่มีหลักมีเกียนมันอ อูก็อยู่เฉยๆเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่อุ้ยน่าฟังกว่าเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่ะมันไม่มีเครื่องดึงดูดอยู่ป่าก็ป่าเฉยจิตใจก็ไม่มีรสมีชาอะไรเลยทํายังไงมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังหว่าน่ะฟังสิมันเข้ากันปุ๊บเลยกับเราที่เคยเป็นในตอนที่ยังไม่ได้หลังเลี่ยงนะอย่างนี้อัานไหนที่มันเคยเป็นแล้วมันพอพูดป้ามันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยอันนี้ผมเป็นแล้วเนี่ยเคยเป็นมาแล้ว ที่แยกจากพ่อแม่ครูอาจาไม่ได้ไปอยู่ในป่าก็ไปแต่ก็ต้องได้ยิ่งมายิ่งมาในนี่หมายถึงขั้นตอนตอนที่ยังไมไ่หลักได้เจอไหนเลยนะแต่พอจิตกล้าเข้าสู่สมาธิได้วมาเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็ น, น, น, ม, น, ปนมีหลักแล้วสงบไปอยู่ในป่านั่ก็มีแต่เสริมความสงบมีแต่ของมากเข้ามากราะมันก็ได้ตามใจหวังเพราะมีหลักอยู่แล้วนี่ตอนไม่มีหลักโอ้มีแต่กิเลสจะขึ้นเหยียบโอ้แหลก พูถึงขั้นสมาธิมันก็เป็นหลักอันหนึ่งพูดถึงขั้นปัญญาค่อยรับคอ ย, อยากาบเรียนท่านเวลามันขัดข้องพอท่านเปิดทางให้ท่านแยบให้เราก็ได้จับปุ๊บได้แล้วเอาเลยทีเดียวอันนั้นอยู่คนเดียวนั่นน่ะใจอีแบบหนึ่งนั่ น, น, นอยู่กับใครไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างใจแล้วไม่อยู่กับใครมันไม่สนุกเพราะมันไม่มีว่างเลยงานของเรานั่น ขั้นอย่างนั้นขั้นอยู่ครไม่ได้มันก็รู้นต้องอยู่คนเดียวเนี่ยก็คนคเดียวนี่แหละตอนว่าอยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งหาอันหนึงเนี่ยพอจากนั้นมาก็อยู่ได้เนี่ยเช่นทั้นสมาธินี่อยู่คนเดียวก็ได้ี่พอถึงขั้นปัญญามันก้าวเดินแลนะโถอืนมันยิ่งมันปัญญามันรวดเล็วเท่าไหร่เท่าไหร่เหล่มันยิ่งเห็นความรดเร็วของกิเลนั่นที่จริงเนี่ยนี่เราเิ่งว่าแล้ววัคกิเล่มัน น, นานๆที่ได้กล้าปลุดว่ากิเลสมันแหลมคมมากนามากนานเฮอเคลื่อนไหวมากเป็นกิเลสเราไมาร่รู้มันจมอยู่นั้นมันก็เป็น ก, กิเลสเราเราไม่รู้อนพอถึงคันมันรู้มันมีนี่ไม่มีข่ามันได้ไงเน่นเจมันถึงได้รู้เรื่องอันนั้นแหละที่ว่ามันอยู่ใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่า น, นั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยควาดกันตลอดเวละ บินธบาตมันก็ไม่ได้สนใจก็ไปเลยนะหมุนอยู่นี่ระหว่างไรบินธบัติเข้าไปในหมู่บ้านแทนที่เห็นผู้เห็นคนอะไมันจะไปแย็บเกๆกับมุกกับผู้คนเท่านั้นแหละงานมีอะไงมันก็ฟ้ากอยู่ข้างในดังนั้นมันจะเข้าป่าโคลงคำหรือเดินยังโกลมเดี๋ยวเข้าฝ่าโคลงออกมากโคคลงคำจิตมันหมุนอยู่นี่คำว่าออกคําว่าออกมันออกจากความสงบ ออมาปรุงเฉยๆมันไม่จะออกนนนะที่ว่าจิตมันออกโดดค่อยจะจะออกจะออกที่ว่าต้องบังคับเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ต้องใช้กิริยานั่นความหมายว่าอันนี้มันที่ว่าออกมันออกเป็นกิริยาเนี่ยมันยึนภายในนะมันไม่ได้ไปนุ่นไปนุ่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตมันออกมันฟัดกันอยู่ในจิตนี่แหละแต่มันออกออกคิดออกปรุงปัญญามันออกพลงงานทำมาออกออกงัตนาวเช่นอย่างว่าผู้ต่อสู้คอยยืนคอย ก็คือว่าเรื่องของจิเลนอ่นะที่จะได้ฟัดกันไม่นในหมายถึองออกไปนู่นไปนี้นะเดี๋ยวบางคนที่ไม่เข้าใจที่ออกไปยังไงนาออกไปมางไงนะจะมีนะอย่างนั้นนะมันออกจากความสงบมันไม่หยุดมันไม่อยากอยู่ในความสงบมันอยากทํางานของมันต่อสู้ก่เลสฟัดกิเลสอย่นั้นนั่นแหะมันออกมันออกจากความสงบนี้มาทํางา น, นทันเองมันหมุนอยู่ในนี้แหละเหมือที่ว่าเดิน เดินไปนี่นเข้าป่าโคามค้างคือจิตเมื่อใจมันไม่ออกใจมันทํางานอยู่ภายในแล้วตามันก็ไม่เห็นนี่เอเดินไปก็เดินไปเนี่ยซ่มซ้ำซ่อมซ้ำก็ทักแต่ว่าตุ๊กตาเดินไปแค่เดียวก็โคมคามเข้าป่านู่นแยกหนึ่ ง, งอ๋อนี่เข้าป่าถอยมาแยกหนึ่งเข้าป่าน ะ, นะไปอีกเดินไปแล้วโคมค้างเขานู่นอีก เป็นจังหวะที่มันหมุนอยู่นี้ที่จังหวะพอที่จะเห็นถนนทางมันก็มีมันมีเลยมันเหมือนกับว่ามีวงแคบวงกว้างนะการพิจารณาวงแคบถ้าเป็นวงแคบจริงๆนั่นมันก็เป็นอย่างว่าตามันก็มืดไปหมดทีนี้พอมันเป็นวงกว้างกว่านั้นบ้างมันก็พอมองเห็นทางมันก็ไปของมันทางพิจารณากับพิจารณาเห็นถนนทางมันก็เห็นแน่มันเป็นขั้นเป็นขั้นนะถ้ามันไม่เป็นมันพูดไม่ถูกแล้วถ้าเป็นพอแยกอย่างนี้มันเข้าใจทันทีเมันเป็นด้วยกัน่ะ อันนี้มีแต่เราพูดเหมือนบ้าเป็น <c oughs> อย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นให้ฟังจะว่าบ้าหรือเปล่าสุดแล้วอย่านั้นมันอยู่กับใครไม่ได้เอกงต้องไปคนเดียวเดินป่านเราเดินทางไปจะไปป่านั้นป่านี้นี้มันก็ทํางานตลอดทั้งมั น, มนไม่เรียกว่าจะเสียเวลาไม่มีเลยเดินทั้งวันก็ทำงานเพียงไปทั้งวัน อยู่ในมันก็ไม่มันไม่อยู่กับอะไรจิตมันอยู่ ก, การต่อสู้จต่นั้นแต่อาศัยสถานที่ที่เหมาะไม่มีอะไรมายุ่งมากวนเพื่อจะได้ทำงานนี้เต็มที่งพวกนี้ดมหน่ดมนี่ไปนี่มาแบกเย่เนาะอย่า น, น, ยนี้มันมันเหมือนกับจอกนะ จอกมันไหลหุ่มหอ่อมันจะไม่ให้มองเห็นน้ําเลยนะหน้ามันเทียบน้ําคือศัสนาคือธรรมปุณหะจอกแหี่ท่วานมันปิดน้ํามันนะคือจิเลตมันปิดธรรมเวลานี้กิเลตปิดธรรมเปน็นยางไงนะดูดูไม่ว่าแสดงมาทางท่าใดเพศใด ตั้งแต่พระเรานี่ออกไปมันเป็นจอกเท่านั้นมันมันหุ้มห่อหัวใจพระไม่ให้สนใจใอาอดในธรรมยิ่งกว่าการสนใจดิ้นไปตามโลกเขาพูดมันเป็นเม็ดเต็มหน่อ ย, ยมันเป็นอย่างนั้นใจมันยังเป็นได้พูดอย่างนี้พูดไม่ได้มีหรือทำเป็นของจริงเมื่อพูดไม่ได้ตามความจริงก็ศาสนาจะหมดแล้วหัวใจ จ, ใจับหัวจะคนหัวใจโลกเราพูดตามความจรินเพื่อให้หาทางแก้ไข หรืมันกระแสะของจิดมันหมุนไปเรื่องของปเรื่องของโลกของโลกเสมอ น, นั่นลหละเหมือนกับว่าเจอกวันแหนะ่มันหุ่มหอ่อทำให้ทำออกเก้าเดินได้เลยหนึ่งหน้าวันันเปล่นไปเปล่นไปเออเราก็บวมมานี่นานขนาดนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของในวงศาสนา เรื่องโลกเรื่องธรรมมาเป็นบบระดับลำดาค่อยเปลี่ยนแปลงมา เ, ลนะเปลี่ยนแปลงไม่แต่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงนื้ผลเราเป็นผลลบผลลบผลลบเกี่ยวกับธรรมนีผลลบผลลบธรรมนี่เป็นฝ่ายถูกปิดบังปิดบังหุ่มห่อเข้ามาเรื่องนี้ปิดถูกกั้นทางเดินของธรรมเลยเออเป็นอย่างงี้นะนี่ว่านี่ว่าศาสนาเสื่อมอ๋อเสื่อมอย่างนี้มันก็รู้ชัดแหละค่อยเสื่อมไปอย่างนี้เอง อะไรๆที่ทําเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นที่เหล็กเข้าไปลบลายลบลายทั้งหมดในหัวใจของคนนะให้มัน ม, มีอะไรมีเผ็ดมีรลอนอยู่กับทีเหล็กซะทั้งหมดรสชาติไปอยู่นู่นเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นขาวก็ไปอยู่กับทเหล็กทั้งหมดมก็ว่าทําี้ไม่มีแล้วมีชาติไปเลยจืดไปหมดแหละมันปิดขนาดนั้นนะ นี่ยปิดนี่เราพูดตามหลักความจริงอ ม, มันก่อนรุ่วันนี้มันมันสนุกพิจารณาถ้าจะว่าพิจิตสนุกพิจารณาก็มันเปิดดูตลอดเวลานี่อะไรมาปิดมันวะว่างัันเลยมันเมื่อเป็นอย่างนั้นทําไมมันจะไม่สนุกพิจารณาวะเรื่องความจริงมันมีเต็มโลกเต็มมันศาลทาไมมันจะพิจารณาความจริงไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้แล้วพูดตามหลักความจริงไม่ได้วะหรือที่เหลียมันเป็นยังไงมันเป็นมันได้ เมื่อทำมามีสิทธิมีความสามารถที่จะรู้เจอเห็นตามความจริงของของกิเลสและของธรรมทั้งหลายทําไมจะเป็นไม่ได้พูดไม่ได้ว่านั่นมันก็รับกันผึ่งมันผึ่งมาสนี่เราจะฆ่ากิเลสมนต์ใจเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วมันจะดีไปไหนวะจริงมีวะอืออะไรจะเหนือธรรมบาธรรมนี่เคยต่ำกิเลสมามากกว่ามากแล้วนั่นเพื่ไปไหนล่าสมัยไปไหนทํามอยู่ในหัวใจกิเลส ขี้เลยืน่งหัวใจฟัดกันลงเคยพังมาพอแล้วมากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าภาษาวกนั้นก็เพราะความคิดกวามเห็นที่นํำทำมาให้เป็นเครื่องมือจริงๆไม่ใด้นํำทำมาเป็นแบบไม้ถืออยู่กับมือฉเฉยถ้าเป็นไม้ก็ไม้ตีจริงๆถ้าเป็นมีดก็มีดฟันจริงถ้าเป็นอาวุธชนิดไหนกอาวุธชนิดนั้นจริงๆฟัดออกไปขี้เหลือทางได้จริงถ้ายิงถูกต้องใช้ถูกต้องตามเครื่องมือนั้นขี้เหลือมันจะอยู่ได้ยังไง เครื่องมือเหล่านี้มี่เครื่องมือที่สังหารที่เหลือันั้นไม่ใช่เครื่องมือมาสัางหารตัวเองออนี่นเป็นอย่นันแหละนึกเข้าใจคือว่าธรรมะ้านี้มันเอี่ยมถ้าเป็นมีดก็เรียกว่ามันเปนเลื่อมแบบแบบแบบแบบคมคงกล้าที่สุดไม่มีคำ ว, ว่าสนิมสนิม เป็นหลักธรรมชาติของธรรมแก่และคาสอนพเจ้านั้นหมายคสอนพุทเจ้าเครื่องค่าที่ไม่มีอะไรลดหย่อนตัวลงไปนิดหนึ่งไม่มีเลยท่านนำออมาใช้หนีที่ที่ว่าหมดการหมดเขตหมดสมัยนี่มันถึงเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องของความปิ้นป้อนหลกดวงของกิเลสโด ย, ยตรงเลยกับความจริงคือธรรมที่เป็นทรงธรรมชาติความจ ร, ริงตัวเองไว้เยอะคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นอย่างนั้น ที่ว่าแต่ีนคือว่ารู้จักใช้นั่นสำคันความรู้จักใชก้มันก็ขึ้นไปจากความจงใจขึ้นไปจากสติและอุบายวิธีการอุรมานตนช่วยทําให้เดินทางานคล่องตัวเข้าไป น, นั่นอย่างที่ว่าอุบายวิธีการต่างๆกินอดลับปรนนอนพ่ออาหารนี้มีแต่อุบายช่วยให้ทําก้าวเดินได้คล่องตัวคล่องตัวน่นมันต้องช่วยอย่างนั้นเือสร้างถึงทํทำคล่องตัวแล้วทีนี้เอาว่างั้นเลยนะ เอาคิเลนมันอยู่ไหนวะยิ่งเคยเป็นฆาตศึกกันนะว่าหนึ่มีครัวอะไรย่านี้น่จะอยากให้มันพังเสดี๋ยวนี้บัดนี้บัตรนี้วันนี้จะล่อไปที่ไหนนั่นเหมือนยังมาปัดออกปัดออกปัดออกเลยเมื่อถึงขั้นร้อนจีก็ร้อนจีเหมือนกันทําแต่ร้อนเพราะค่าคิเลนนะเนอะร้อนจีร้อนจีร้อนจีเลยเพราะค่าคีเลนเราจึงอาจจะจำไม่คุ้นใจผมพูดไม่มีความจิตใจจังเลยนะมันถึงใจจนกระทั่งถึงว่ามอบได้หมดเลย โอ้โหอัศจรรย์พระเจ้าโผล่ขึ้นมาได้โดยไม่มีใครให้อุบายเลยแต่ชวนนิสัยของสปัญญุของของสยามพูก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยกให้อันนั้นแต่ยังมันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้เนี่ยเพราะบรรดาสาวกทั้งหลายใครต่อใครก็ตามถ้าไม่นะระคำนั้นจากพระพุทธเจ้าก่อนไปไม่ได้เลยนี่เนี่ยเล่นพระประเจร พ, พุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายต้องมีแนวทางมีผู้ให้อุบายนี่เลย ได้มาแล้วมันก็ยังมาเอาสันลงอยเอาคมมันลงที่ฟาดเอาสันลงเอาเอาสันลงทำไมาเอาคมมันลงที่ฟาดเอาข้างมันลงนั่นมันไปอยู่อย่างนั้นจนได้ได้มาแล้วก็มีดยื่นให้แล้วนี้แทนที่จะฟันลงตามที่บอกเอาฟันลงนกลับเอาสันลงบ้งเอาข้างลงบ้างไปอย่างนั้นเราไปใช้ไม่ถูกอ่ะธรรมะนี้ เลือดขนาดไหนมันไปอย่างนั้นหนาเอาไปใช้ไม่ถูกไปอย่างนั้นมาใช้ถูกแล้วกิเลสมันจะเหนียวมาจากไหนวะว่างั้นทําเคยฟันกิเลศขาดสะบั้นมามากต่อมากแล้วว่างั้นเหนียวที่ว่าขาดสะบั้นมาคือว่าประเภทของปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเริ่มไปไล่ละเอียดกว่านั้นเราเราไม่อยากจะพูดว่าปัญญาหนะมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดให้อะไรกว่านั้นมันเหมือนกับว่า เป็นเป็นคำพูดแหวกแนวตามโลกสมมติยมหรือจะเป็นลักษณะความพูด่าอวดตัวไปเถอะก็เบืองนั้นก็ความรู้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันยังเป็นอยู่ได้จัห่หวะมันเป็นอย่างนั้นจริงว่าอามาพูดจยายากการใช้ต่อสมมตินเนี่ยมันก็ต้องได้เลยพิจารณานหนักเบาของสมมติเหมือนกันอย่างที่ว่าปัญญาในในขั้นที่ว่านั้นมันอะไรพูดไม่ถูกเนี่ย ความรวดเร็วก็มีอะไรจะเร็วเท่าแล้วความหมุนตัวเองก็ไม่ทราบาเอาอะไรมาเทียบเมันไม่เคยเห็นเคยมีที่ไหนอะไรนี่มันก็มีอยู่ท่านนั้นในหัวใจอยจะฝางกั้นอ응ืแล้วก็ไม่เคยค่าเคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่เอาเวลามันเป็นมาแล้วเป็นมาก็พูดไม่ถูกไงนี่คือจังหจะว่าปัญญาก็ปัญญาในความค่าคือความคิดเช่นอย่างมหาสติมหาปัญญากระเพาะอะไรจะม า, าค่ากันนี้ที่ละเอียดซึ่งกันไปกว่า น, นั้นมันอะไรนั่นน่า อื S <S <t rio> ม, มันภาคปฏิบัติเนี่ยจะได้ชมทำมาโอเคนีหนิะเรียนนกก็เรียนมาพอจําแล้วก็จํามาพอจนสมองทื่อผมก็กลุ้ง ๆ, ๆนี่เพราะเรียนขนาดสมองทื่อไม่ทํางานให้เลยก็เรียนก็มันก็ไม่เห็นนี่หวังไงอย่างนี้ไม่มีในตำนานด้วยทั้ทงกับเพราะพูดไว้ว่ามาหมาติมหาปัญญานี่ใ น, นตำนานเขาแต่อันหนึ่งที่มันซึ้งเข้าไปอีกนละ พูดไม่ถูกมานนันอะไรนั่นแต่นี่ปฏิเสธได้ไหมว่านั่นมันไม่มีเห้ยนี่เลยมันประจัญเครื่องมืออย่นี้มันอันนี้แหละที่ว่ามันทันกับี้เหลืออยทา้งหลายเึงจรงรู้ว่าที้เหลือมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมมันคมขนาดไหนนี่นะมันถึงครอบโลกธาตุได้นี่เอานี้เขาไปจับเนี่ยถ้าไม่มีนี่มันจับไม่รู้นะมันมันจับไม่ได้นะมันไม่รู้นี่นะไม่ว่าท่านว่าเราว่าเขาว่าใครล่ะ มันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนควายตัวหนึ่งที่ถูกจูงไปพวกเราเปลี่งนั้นมาถ้าถ้าทําทําให้เห็นว่านี่มันก็ไม่มีอะไรจะมาเทียบมาแยกมาเแย่เฮ้เมื่อมีอันนี้เนี่ยมันก็ทันกันอุบานออกแน่ๆนะอันนี้มันเร็วดิงั้นฆ่ากันได้ไงนั่นจนสิก็คือต้องเร็วกว่านั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามีกําลังก็กําลังมากกว่านั้นมันถึงจะฆ่ากันอันนั้นได้นี่อันเนี่ยอันนี้มันไม่มีนี่มันก็ไม่รู้ที่ลวดล้ามกิเลสที่มันออก มันตกครองโลกมันเบียบบีบบังคับโลกถุดล่างโลกให้เป็นไปยังไงจิตวิญญาณแต่ละดวงดวงนี้มันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนี่มันเป็นไปได้อย่างไรวะเงี้ยนั่น่ะมันเมื่อมีเครื่องจับแล้วมันเห็นชัดเลเอานี่ขาดสะบั้นไปแล้วอะไรจะพาไปสิหน้าเน่เด่นมหัศจรรย์พระพุทธเจ้าโถแต่พระองค์เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นอย่างรวดเร็วนะ เรียกว่าขีปนาวิญญาณ ใ, ในคืนเดยทะลุเลยมันเป็นวิสัยของสัพพัญของสยามพูและเป็นสัพพัญญูที่จะรู้ธรรมทั้งหลายโดยลําพังพระองค์ก็สยามพูสยามพูคือเป็นเองขอนไขเองรู้เองสยามพูแปลว่าเป็นเองกแต่เต็มจับแล้วก็จะเป็นเองเ <c oughs> มื่อเราแยกออกจากนี้แล้วก็คูอว่าขอนไขเองไม่มีใครมาแนะมาบอก พอที่จะได้ก้าเดินตามอุบายของผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นส่งคนขวาเองคนขวาเองก็รู้เองรู้เองเรื่องสยามผู้นี่เพียงแต่อย่างเราตัวเท่าหนูสิ่งที่มันมันแยกมันมันตีกไปจากธรรมที่เราเรียนมามันจะเห็นอย่างนี้นี่มันไม่มีในกำลังว่างั้นเลยมันมีในความจริงนั่นกำลัามันสามารถที่จะออกมาได้นี่อาจารย์จะเรียกว่า ปล่อยให้ผู้นั้นเห็นเองถึงขั้นที่ควรจะเห็นปิดไม่อยู่เนี่ยอย่างหน้ากระทูไม่จําเป็นจะต้องบอกในตำราก็ได้นี่ว่าบอกแต่แต่ช่องทางเอาเข้าตรงนี้แนละ้วมันจะพุ่งถึงนั่นเท่านั้นเนะช่นอย่างอริยสัจนะมันบอกไว้กลางๆตรงนั้นเอาเข้าช่องทางเป็นอย่างนั้นหนึ่งมากเอาจเจริญให้มากเนี่ยพาเวตบันติเมพิกเวนึงเจเริญให้มาก พาพาว่ตรบระโหดีกระโตเขาก็บอกว่าเฮ้ยทาให้มากจะเรียนใ้มากเราก็กล้าไม่หยุดไม่อยู่ไม่อยู่ก็พุ่งก็เข้าถึงที่นั่นเนี่ยไม่ต้องบอกเข้าถึงเมื่อเมื่อไล่เข้าไปตรงนี้แล้วมันจะไปเห็นนั้นจนได้ไปรู้นั้นไปเป็นนั่นจนได้แหละเนี่ยแต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่เพดท่านท่านก็ว่าจาเป็นต้องมีในตำราเพราะเมื่อใหญ่บอกไปแล้วในช่องใหญ่ที่จะให้เข้าต้นทางบอกแล้วเนี่ยไล่เข้าไปก็ถทูอันนั้นปล่อยให้กับของเรื่องนี้เอง เป็นซันติโกประจับไม่จะคงเรียว่ามาหาจะติมาปัญญาไม่ถ้าหาว่าเราจะพูดตามความถนัดใจมันไม่ถนัดใจนะอันนั้นมันยังละเอียดเข้าไปนี่ก่อนนี้อีกมันพูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความซูมทาบนี่ก็เหมือนกันความรวดเร็วก็อีกอันหนึ่งแล้วความซูมทราบนี่ซึ้งเข้าไปซึมเข้าไปนี่ ที่เดือดอย่ตรงไหนมันซึมเข้าไปเหมือนกับว่ามันไปขับจางให้จางไปหมดนี่จะพูดยังานมันเกิดยังไงพูดไม่ถูกนะคือยาพิษมันพิษอยู่ตรงไหนนี่เหมือนกับอันนี้มันเข้าไปขับอปหมดเช่นอย่างหัวเผือกนี้นะหัวเผือกที่เวลามันมันยังสดๆอยู่เนี่ยมันขันมันเป็นพิษนี่พอต้มออกไปความร้อนนั่นแหละมันมันขับเข้าไปขับพิษอันนี้ออกไปก็กลายเป็นรสธรรมชาติที่ ควรรับทานทุกคนกินออกมาอย่างที่เรากินทักวเนต้มหัวเผือกหอมหวานพุบเรือกเนี่ยสำคัญคือ ม, มันเข้าไปขับไล่รสจิ้เป็นพิษออกหมดความร้อนนั้นนัะนถ้าเราเกี่ยวกับเที่ยวได้ขนาดนี้อันที่มันที่เาว่ามันซึมเนี่ยเยี่ยมันซึมอยู่มันก็ใหญ่ขนาดนั้นอันนี้ธรรมะขับเข้าไปขับไล่ออก มันอยากให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นนะอ่านสําหนักตาลาอย่า้โดยที่เลยกลายเป็นศาสนามีแต่ตำหนักตำลาเออเป็นสุดเอื่อมมดหวังไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนะเดี๋ยวนี้นะออมีแต่แบบแผนตำลาว่ากันไปอย่างนั้นนะว่าไปศา ส, สนาก็อยู่ในตำลาไปนี้แล้วที่มีเวลาจะปฏิบัติก็ว่าสุดเอื่อมหมดหวังไปแล้วนั่น มันปิดเข้ามาย่างนี้แหละกิเลสปิดเข้าใจคนเปิดก็ไปเปิดไปมันเดินรู้เรื่องของกิเลสแล้มันตึงขนาดไหนรู้ก็ไปเรื่อยปัญญาขนาดนี้ลู้กิเลสขนาดนั้นปัญญาขนาดนั้นสติปัญญาขนาดนั้นลู้กิเลสขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นนั่นแ้วงรู้ว่าความละเอียดมันเอยดก็ไปขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนว่างั้นเดอนนะอถ้าไม่มีเครื่องจับมันไม่รู้นี่เอาละพอเลิก